ขะกับท่านดวงตาท่านลมสัมตว์ีนาและโยนตอบ้านนอนของสามค่วงตานี่นนค่คุณพะว่าการนั่งสมาธิที่จำเป็นจะต้องเกิดติดไหมครับ อะไรที่เป็นเครื่องลอ่อที่เราเมื่อเราอารมณ์ม่ใจเป็นเครื่องลอ่อหรือทำบริกรรมพุโทโธพุโทโธ ใ, ให้หมายเอาตรงความรู้สึกตัวอย่าไปหมายเอาปีปิถ้าไปหมายอะไรไว้มันจะยึดไว้แล้วจะไม่ได้ผลอะไรใช่ไหมหนูหนูเข้าใจแต่เพียงแต่อยากจะทราบว่าการนั่งสมาธิไม่จําเป็นจะต้องเกิดตปีติใช่ไ้มคะไม่จําเป็นใช่ไหมคะอย่าไปหมายไงก่อเราไปพูดเสรก็หมายอ่ะคือมันมันจะไปหมายตรงปีติหรือไม่ปีิปีติให้แค่มี ไอ้มีสติและลึกรู้อยู่ตรงที่ที่เครื่องไอ้ที่เราไปล่อไว้เช่นเ ม, มาานื่อเช้าเราฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเขา้าหรือาหายใจเข้าพูดหายใจออกโตได้ความรู้สึกตัวไปเรื่อยๆตามความเป็นจริงคือลมหายใจมันมันมันมันละเอียดแป า, านใดก็ให้รู้รู้รู้รู้รู้ตามความเป็นจริงในปัจจุบันเอาเอาแค่สติและลึกรู้หมายแค่ตรงนี้ส่วนผมจะเกิดอะไรอย่าไปหมายไว้ค่ะโอเคพอเรียนถามลูกสาว่าในกรณีที่เรานั่งสมาธิธแล้จิตเราก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมันก็เกิดความสงบถูกไหมคะ อถูกไหมคะอันนี้คือกิเลสไหมคะเดี๋ยวเมื่อกนะี้เราบอกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่เราไม่ไปยึดไปเป็นกิเลสทั้งหมดแม้แต่การที่เรากําหนดลมหายใจเข้าออกสงบอันนี้นก็คือกิเลสเหมือนกันหรือคะเดีย๋ยวไม่เข้าใจคือมันสงบไม่เป็นกิเลสแต่เราไปยึดก่อนสงบเป็นกิเลสเราเราก็ไม่ได้ยึดนะหลวงตา ม, มันก็ไปหลงมันนี้เลยเราก็ไ ม, ไม่ไม่ยึดก็ไม่เป็นกิเลสมันก็เป็นสมาสัมมาทิฏิไป การยึดหรือไม่ยึดเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่ยึดกับเรา ย, ยึดเราหวยหามันไหมละ่ะเราปล่อยออไปย่หาเราก็ไปเรื่อยๆของเราเออถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆก็เท่ากับไม่ยึดถ้าเราปล่อยไปเรื่อยๆก็เท่ากับไม่ยึดแต่เราเจอตรงไหนแล้วเรายึดไว้แล้วเราหยหามันเท่ากับยึ ด, ยด ม, WOW. มันเป็นวิปัสณูบกิเลสไม่ว่าดีขนาดไหนเรายึดไปถึงเลยไปว่างแล้วก็วางเลยสงบกลับไปอีกถ้าเรายึดปุ๊บเป็นวิปัสณูบาคีเลสทันที แต่ตอนเราไม่ยึดมันก็เป็นแค่ส ภ, ภาวะตามความเป็นจริงในปัจจุบันด้วยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเียวหนูสงสัยตรงดียว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่เราทำสมาธิเราไม่เกิดปิตินะแสดงว่าเราก็ไม่ได้ถึงขั้นใช่ไหมคะนี่แหละมันยึดแล้วยึดเนี่ยจะยึดเอาปิติไม่ค่เห็นเห็นอะไรคนพูดนั่นปิติปิติก็เลยงงว่า เอ๊ะทำไมมันต้องเกิดปิติด้วยเหรอ่อาไปยึดจะไปหมายไว้เอาปล่อยวางอย่างเดียวคอยมีสติระลึกรู้หยุดในปัจจุบันแล้วก็มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปอย่างเดียวเลยอย่าไปหมายอย่างนั้นไว้ถ้าหมายอย่างนั้นแล้วก็ปัญหามันเกิดตั้งแต่เริ่มลงมือนั่งสมาธิแล้วมันจะปิติแล้วมันจะไม่สงบอีกเลยตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเพราะว่ามันหมายเอาตรงปิติแล้วไม่ได้เจตี แต่แต่แต่ก็ไม่ได้คิดนะคะว่านั่งก็คือไม่ไม่แต่พริงแต่ว่าได้ยินเอ๊ะทำไมคุณนั่งเกิดปฏิกิริยาเลยสงสัยว่าเอ๊ะจำเป็นต้องเกิดปิดเป๋ไม่ขคอขอถามแค่นั้นเองค่ะลุงตาขอบคุณค่ะเอาปล่อยวางเป็นหลักรู้เลยความรู้แล้วรู้เห็นอะไรในขณะปัจจุบันปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางรู้แล้วละเลยรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางกลาวแล้ววัชการค่ะอาจารย์ยมชื่อนวลพันธ์ลายสั่งนะคะอยู่ที่ศาลจังหวัด แลครลักสีมานี้ยมเคยไปที่วัดถ้ำซับมืดสองสาครั้งนะคะยมอาจจะต่างจากคนอื่นนะคือคือยมเริ่มมาทางทางพุทธทางทางสายปฏิบัติเนี้ยตั้งแต่ประมาณปีห้าสี่นะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยยมก็ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเลยนะคะจะเป็นคนที่ไม่ไม่เหมือนใครหรือยอย่างไรก็ไม่ทราบ พอพอมาเรื่อยๆเนี่ยยวมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่เหลืออะไรเลยค่ะไม่ไม่มีความอยากไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีที่มันผ่านมาก็ไม่เคยสนใจรอบข้างก็ไม่เคยสนใจเหมือนตัวเองไม่ไม่ได้อะไรย่าบงอย่าบังอย่าบังอยบงให้ออกมาตรงตรงหน้าหน่อยสิ อภูต่ออภต่อค่ะก็ก็คือเหมือนเป็นคนที่แบบความความอยากก็ไม่มีความร้อนความหนาวก็ไม่มีความเจ็บจากการโดนดุโดนโดน่าโดนว่าก็ไม่มีแบบมันเฉยไปเลยอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สนใจว่ามันจะเป็นอะไรหรือจะไม่เป็นอะไรนะคะ แล้วก็ไม่ได้แสวงหาว่ามันจะเป็นอะไรหรือไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าวันนี้ได้ประกาศพระอาจารย์และเห็นเพื่อนตั้งคําถามกันอะไรกันก็เลยก็เลยถามขึ้นมาอย่างนั้นเองก็ค่ะโชคดีนะที่เราถามเนี่ยโชคดีมากเพราะว่ามันปิดตกเป็นข้ามเลยถ้าไม่ถามเราจะปิดอย่างเนี้ยไปนานความพบคําชาติอันนี้มันไม่ได้ไปวางคือมันไม่ยอมรับรู้อะไร มันก็ละเรื่องละราวกันเลยเนี่ยคือมันไม่ยอมรับรู้อะไรมันไม่ได้ไปล่อยวางมันไปอยู่ในโลกของความไม่ยอมรับรู้อะไรเราเรียกโลกนี้ว่าบ้านน้อยหอยสังรู้จักไหมทิศานีศบเคยเค ย, เคยอ่านไหมบ้านน้อยหอยสังเนี่ยมันมีเกิดมาแล้วมันมันอยู่ในหอยสังอน่ยพอมีเรื่องราวอะไรมันก็หลบไปอยู่ในหอยสังมีเรื่องราวอะไรก็หลบอยู่ในหอยสังเ่ย เป็นนิทานของไทยในศพผมมีเรื่องราวอะไรมันก็หลบกล้งอยู่ในหอยสังมีเรื่องราวอะไรก็หลบกลิ้งไปในหอยสังนะเราเรียกโลกเนี้ยคือโลกบ้านน้อยหอยสัคือมันไม่ยอมรับรู้อะไรไม่ยอมรับรู้ปัญหาอะไรตามความเป็นจริงไม่เข้าไปแก้ปัญหาอะไรตามความเป็นจริงคือสติ ป, ปัญญามันไปอยู่ในโลกของตัวเองโลกส่วนตัวสร้างโลกตัวเองไว้ไม่รับรู้อะไรมันจะต้องตื่นออกมารับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามความเป็นจริง กระทบแล้วมีความไม่สบายใจก็ไม่ต้องไม่ไม่สบายใจจริงๆนั่นแหละถูกต้องไม่ใช่ว่ากระทบแล้วเอ๋อไม่มีอาการใดๆกระทบแล้วเออไม่มีการอะไรกระทบแล้วไม่สบายใจก็ไม่สบายใจมโหก็มโหคือต้องตรงไปตรงมาไอ้ที่เราบอกว่ากระทบแล้วเออไม่มีอะไรกระทบเออไม่มีอะไรไม่รับรู้อะไรไม่มีสภาพอะไรไม่รู้ร่อลู่หนาวมันไม่ใช่มันเป็นอยู่ในโลกของเออนะนี่เราทำไมเรียกว่าโลกเออไอ้โลกเนี้ยตายแล้วจะไปเป็นดาวเส้นโดม เพราะมันไม่รับรู้อะไรตั้งแต่ในชาตินี้แล้วพอมันตายไปมันเกิดเราใหม่มันรับรู้อะไรไม่เป็นมันจะไปเป็นศา์ดาวเซนโดมโลกดาวเซนโดมรู้จักไห ม, มต้องละไปเลยนะไอความรู้สึกแบบเนี้ยต้องรับรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงต่ า, ตางๆหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบแล้วมีอารมณ์ก็ตามตรงไปตรงมาเลยแต่มั น, มนตรงไปตรงมาแล้วจะไปเก็บมาแค้นเคืองค้างคาปูเกเจ็บอาวข้าพยาบาทแคแน่นั้นแหละมันละไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็แล้วไป มันต้องตรงไปตรงมาเนี่คือธรรมชาติกระทบแล้วจะต้องเกิดปฏิกิริยากระทบแล้วก็ต้องเกิดปฏิกิริยาแต่ไม่เก็บมาแครงเคลืองค้างคาผูกจเจ็บอาก า, ารพยาบาทน้อยเนื้อต่าใจคือแล้วก็แล้วไปแล้ ว, วก็แล้วไปเกิดปัญหาก็ใช้สติปัญญาแก้ไปแก้ไปแก้ไปไม่ใช่ว่ากระทบแล้วไม่ให้มีอาการ ใ, ใดๆกระทบแลฝึกประโยชน์ถึงขั้นสูงสุดคือเรากระทบแล้วจะไม่มีอาการ ใ, ใดๆอย่างที่ปอตั้งเป้าหมายไม่กระทบกล้ต้องนิ่งกระทบแล้ต้องนิ่งเรากลัวจะไปเป็นดาวเต็มดม ต้องออกมาจากโลกนี้นะเนี่เยเขาเรียกโรคโรคหนึ่งคือโรคดาวเซนโดมมันเข้าไปอยู่ในสภาวะของตัวเองและที่สุด ม, มันไม่ยอมรับรู้ปัญหาตามความเป็นจริงกระทบอะไรแล้วเออกระทบอะไรแล้วเออแล้วประสิทธิภาพมันจะในการทํางานต่างๆอะไรนะ ต, ต่างๆเนี่ยมันจะด้อยลงมันจะไม่มีการตื่นตัวแอคทีฟตื่นตัวแอคทีฟตื่นตัวแอคทีฟ และแก้ปัญหาทุกอย่างตามความเป็นจริงในขณะปัจจุบันหลวงปู่ดูนาตูโลโอในขณะเป็นพระอาหารหันต์เจ้าแห่งจิตนะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งจิตมีพระกราบเรียนถามท่านว่าหลวงปู่ยังมีโกรธไหมมีกระทบก็ต้องมีโกรธแต่ไม่เอาราฝึก มันแตกต่างจากหลานตรงกันข้ามนะกระทบแล้วไม่มีอะไรไม่รู้ร้อนรู้หนาวมันมันผิดมันผิดรูด้ไหมดีนะเนี่ยที่ถามเนี่ยเอาไม่อยู่ที่ใครอ่ะอาาพวกเคาพูดก่อนะอาเอาเ เปิไดไปบรือ่าคือก่อนก่อนก่อนหนะ้าเนี้ยหลายปีแล้วหลวงตาเคยบอกว่าเธอออกมาได้ละไปอยู่ข้างในซึ่งจริงๆก็คืออยู่ข้างในจริงๆเพราะว่าลาคาญเวลากินข้าวเพื่อนชอบเถียงกันข้อกฎหมายแล้วมันไม่ตรงกับความคิดเห็นของเราแล้วเถียงก็ไม่ชนะเขาก็เลยมันเขาแอย่าเถียงดีก ว, ว่ามันก็หลบเข้าไปอยู่ข้างในหลบ เวลาถูกใครว่าถูกใครตำหนิถูกใครแะไรนก็หลบเข้าไปอยู่ข้างในคือไม่อยากรับรู้ไม่อยากอะไรแล้วมันก็ส่วนหนึ่งคือกดความรู้สึกเพื่อจะได้ไม่ต้องพอไม่แสดงความไม่พอใจออกไปมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอยู่หลายปีแล้วมันเริ่มเกิดปัญหาตรงที่ว่าพอหลวงตาบอกก็ไม่เชื่อนะเพราะมันรู้สึกว่าเออเราก็สบายไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะมันก็ไม่ทุกข์กับใครว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์แต่จริงจริงมันคงทุกข์อยู่ข้างในอ่ะและ้วมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือปรึกษาคดี แล้วมันไม่รู้เรื่องอ่ะเขาพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องแต่จริงๆมันไม่ได้เพิ่งเป็นตอนนั้นนะคือมันเป็นมาก่อนหน้านะแล้วคือทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้เพราะเขาบอกว่าบอกแล้วไม่ได้บอกใครใครก็บอกบอกแล้วคนนั้นก็คือทะเลาะกับหลายคนเพราะอย่างนี้ยคือบอกไม่เห็นบอกเลยแล้วเขาบอกทุกคนเขาบอกว่าบอกแล้วแล้วก็มีพยานยืนยันบอกใช่ได้ยินว่าบอกแล้วแต่เราไม่รับรู้ไงคือเสียงมันเข้ามาแต่มันไม่ผ่านกระบวนการรับรู้เพราะมันไปอยู่ข้างใน แล้วที่มันตกใจแล้วยอมเชื่อหลวงตาเพราะปศึกษาคดีอยู่เราไม่รู้เรื่องอะ่ะองค์คณะพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแล้วถ้าถามเขามันก็เหมือนเฮ้ยคุณใจลอยอะปรึกษาคดีอะไรอย่างเงี้ยเลยทําให้รู้เลยว่านี่คือโทษของการที่เราหนีปัญหาเข้าไปอยู่ข้างในอะ่ะก็เลยต้องออกมาเอาให้ก็พูดเอ่เราพูดอย่างนี้ก็ไม่เชื่อหรอกเรารู้ก็เหมือนกันเนะี่ย คือคนที่มันมันเห็นว่านี่เป็นความสุขมันก็จะเถียงกันในใจว่ามันไม่ดียังไงนี่เป็นความสุขเชื่อค่ะอืมเชื่อค่ะเพราะว่าจริงหรือเปล่าเชื่อจริงหรือเปล่าด้จริงค่ะเพราะว่าเพราะว่าก็ก็คือเลย ก, ก็รู้สึกตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นอย่างเช่นที่ท่านันบอกนะคะคืออย่างบางทีเนี่ยเราโดนคือเราทําการเนี่ยเราร ะ, ระดับ เป็นหัวหน้าส่วนเน่ยนะคะมักจะโดนพอ อ, อหลายคนที่ผ่านมานะคะคือเจอเจอประเภทเกลี้ยวกา่แล้วก็ด่าด่าได้ทั้งคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วเราก็เลยเกิดความรู้ึกว่าไม่เป็นไรด่าก็ปล่อยไว้ทรงนั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนเราก็ฝึกตรงนี้ว่าเออเราก็ไม่ไม่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไม่ไม่ไม่เดือดร้อนกับอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างอย่า ง, อางสอบพ อ, อ, อพรอมเขาเนี่ยนะคะสอบได้นะคะเข้าโรงเรียนพ อ, อพร้อมเขาเรียนได้ได้เท่าที่ทราบมาว่าได้คะแนนสูงของห้องด้วยแต่วันที่เขาประกาศสอบกันเนี่ยเขามีเอกสารใบสมัครนะคะสองส่วนอันนี้เห็นเห็นแค่ส่วนเดียวส่งไว้ส่วนเดียวกสอเขาไม่ให้สอบเลยอ่ะก็ตัดสิทธ์ออกไปเลยเพื่อน ทั้งทั้งห้องที่อบอรมผ่านการอบรมด้วยกันสาสิบกว่าคนเนี่ยเป็นทุกข์เป็นร้อนเดือดร้อนจนหมดเลยวิ่งหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ฟ้าเขาได้สอบแต่แต่ตัวฟ้าเองเนี้ยไม่เป็นไรยิ้มคุยกับเขาเขายังอื่นเลยฟ้ายิ้มได้ยังไงยิ้มได้ค่ะไม่สอบก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นห่ อ, อ ก, ก็ได้ไม่เป็นไรแต่ความรู้ที่มีอยู่เราก็นําออกมาใช้เราไม่ได้เดือดร้อนนี่นี่คือชื่อตัวเองเป็นแบบนี้เลยค่ะก็เหมือนเหมือนนท่านนันบ่อแล้วอย่างท่านอาจารย์ บอกเนี่ยนะางคาฟ้าก็เชื่อนะคะก็เพราะคิดเองเหมือนกันที่ที่ตัดสินใจถามก็พราคิดเหมือนกันว่าเออเราจะเป็นอย่างนี้อีกนานแค่ไหนเนี่ยเรานั่งมองตัวเราเองเนี่ยเรา <te ant> ยังไม่เห็นอนาคตเลยนะเห็นแค่วันนี้ <laughs> พรุ่งนี้ก็ยังเลือนลางอต่อไปข้างหน้าก็ยังเลือนลางอะไรอย่างเงี้ยถึงได้ถามว่าเชื่อค่ะสาธุค่ะ คือให้เรื่องเนี้ยเราสอนคนก็มีคนทั้งหลายก็มีปัญหาเถียงเราอยู่นี่ไหนมากมายเราเจอปัญหาอย่างเนี้ยมากมายมันไม่ดีอย่างไรความสุขมันไม่ดีอย่างไรความไม่รับรู้อะไรมันใจมันสบายแบบนี้ไม่ดีอย่างไรหลายคนก็เถียงเราอยู่เนี่ยแล้วหลายคนก็หนีเราไปอยู่ที่อื่นหมดเพราะว่าเขาดูเพราะว่าเข้าหนีไปอยู่ที่อื่นหมดเพราะว่า เขาอคานในใจแต่ก็ไม่เถียงมาตู้เราเขาก็อยากเถียงเราเขาก็ก็มันสุขสงบดีทำไมมันไม่ดียังไงความสุขสงบความว่างไม่ดียังไงบางคนก็มีอารมณ์ก็พูดได้พูดเถียงเลยว่าไหนจะบอกที่ความว่างไม่ดีจะบปปล่อยป่อยความสงบไม่ดีจะไปปล่อยทิ้งไม่ดียังไงที่ก็ใสอารมณ์ขึ้นมาเขามีคือถึงเราพูดไปแต่ใจก็ไม่ไม่ยอมรับเ้าก็ เขาก็ไม่พูดเล่าพูดแต่ใจก็ไม่ยอมรับมันก็เก็บไว้ในใจอแล้ะเราก็ลุยทำไงเขาก็หนีไปหนีไปที่สุดแล้วก็หนีแล้วไปอยู่หลายปีหนีไปหายปีหลายปีไปนั่งใจนิ่งๆ ว, ว่างๆสบายๆหลายปีกลับมาหาเราอีกทีหนึ่งร้อ ง, องห่มร้องไห้ฟูงไฟผมเผพ้วกระเซิร์งไปหมดเลยอาจารย์ช่วยหนูด้วยอาจารย์ช่วยหนูด้วยเอ้าเป็นไรอะ่ะ เห็นว่า น, นีเราไปอยู่ตั้งหลายปีหมอบอกหนูเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสติแตกเลยไอ้ที่สงบดีสุขสบายดีไปนั่งสมาธิวันละห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนั่งสมาธิวันละห้าหกชั่วโมงทุกวันนะไปทุกวันเราว่าก็ไม่เชื่ออกลับบ้านแล้วจะทาอย่างนี้โอ๋แต่ละคนไปนั่งกันเนี่ย เี่ยวจะมาคุยกับอะไรว่าม่เชื่ออาจารย์ไปดูก็ได้มีคนนั่งเยอะมากเลยเอ้าล้วก็ไปดูคอยปฏิบัติกันยังไงเอาไปลูกปิดอยากให้ไปเขาไปกนะ็ก็ไปนั่งตอหน้าหลวงปู่ครูบาอาจารย์เขานี่ยไหนเขาก็ไปนั่งกันเงียบมาก็นั่งกันทุกวันวันละสี่ห้าชั่วโมเวลาพอไปนั่งสมาธิเวลาไอ๊ มันมันเจ็บนะมันเจ็บขานื่งนั่งนานมันก็ปวดขาปวดตะปุ่มปวดกระดานนะเขาก็ทําไมเพอนั่งนานเขาก็ยกย ก, ก้นโยงก้นขึ้นยงก้นขึ้นนะโยงก้นในพ้นจากขาขึ้นแล้วก็กค่อยๆโยงก้นขึ้นแล้วก็แล้วก็ปล่อยวางก้นทับขาบเรียงเก่าแล้วพอนั่งทับขา น, นานๆเขามันก็ปวดเมื่อยเจ็บมากว่าไงเขาก็แต่ละคนเราก็เห็นทําเหมือนกันหมดนยงก้นขึ้นมาสูงสูงแล้วก็ สบายใจอ่ะคือโยงก้นมาแล้วก็ปัญหาเจ็บไปปวดแล้วมันปกดทับนานๆอ่ะมันก็ตอนโยงขึ้นมาแล้วสบายใจแล้วก็นั่งยิ้มั่งยิ้มไปแล้วพอมันเจ็บขาปวดขาบ้างก็โยงก้นขึ้นมาแล้วก็สบายใจแล้วก็ยกแล้วก็หย่อนก้นลงไปทับขาไปอย่างเดิมแล้วก็นั่งยิ้เราเห็นแล้วโอ้โหปดเอารมณ์ทกันยังห้องๆเลยกัน มันอย่างงี้มานั่งกี่ชั่วโมงก็นั่งได้แบบนี้มันนั่งเส็จสุขอะมันเสพคนเสพยาเสพติดอะแล้วเป็นยังไงเราบอกให้ไล่กลับบ้านไลยกลับเถียงเราคาเราความสุขความสบายไม่ดียังไงอมอหมอบอกว่าเป็นอะไรยงระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสิบวันจะทําอะไรก็ทำซะสติแตกผมเเพ้วเป็นเกินเติม มันโดนไฟไหม้เราอยู่กลางถนนนะแถก็ามาร้องโงมร้องไห้มากอดเท้าอาจารย์ช่วยหนูด้วยอาจารย์ช่วยหนูด้วยเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ยหมอบอกว่าหนูเป็นมะเร็งเลี้ยสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสิบวันอาจารย์ช่วยหนูด้วยอาจารย์ช่วยหนูด้วยร้องโงมร้องไห้ผูนฝาคนต้องเยอะแยะเราอยู่กลางถนนวิ่งอย่าทำอย่างนี้ไงสติแตกไปเลย มันมี ป, นประโยชน์อะไรเลยแล้วหลายคนก็หนีเราไปอย่างเงี้ยเพราะโดนเราดุโดนเราว่าแบบนีน้ว่าอย่าทําจํากระคาบไว้ในใจแต่ท้ายก็เราว่าไม่ได้ก็ฝ่ายหนีไปมันไปเสพสุกไว้ไปเสพความสงบไว้เหมือนเสพยาเสพ ต, ติด่ะติสติแล้วก็นั่งลนะ้ทุกวันมนมติดเราว่าอะไรก็ไม่เชื่อไรคนเป็นบ้าเลยเป็นแบบเดียวกันนี่เป็นบ้า หมอบอกว่าเป็นมะเร็งรล้วสุดท้ายป้กแอบปล่อยเาเป็นนักปฏิบัติธรรมก็เลยบอกความจริงว่าคุณเป็นมะเร็งระยสุดท้ายอยูแล้วไม่เกินสิบันนี่การอะไรเงี้ยตายนี่เป็นบ้าไปเลยเป็นบ้าต่คนก็สติแตกแล้วก็กลายเปนเจ้าหินิาไปใจ ค, คนสติแตกเป็นบ้าแล้วนันตายไปในขณะไป็เจาหินชิชาเป็นเจิินิชาแต่ไม่เป็นเจ้าหญินิชาปล่อยวางนะเรามีความรู้สึกว่าจะตายแล้วเรอครัี่อยม่ที่โรงพยาบาล เขาก็บอกว่าเอา้าจานจานมาเหร อ, เ, อ<ม>เขาไปเจอหญิงน้ทานไปแล้วเขาไม่รู้เรื่องแล้วจานแล้วว า, านี่หญีงน้ทานอะไรเหมือนวาเนี่ยปณิธานหลับตาแต่ข้างนอกข้างในมันไม่หลับต้งเนี่ยข้างในมันมีความทุกข์มากเลย เขาทำนั่งสมาธิอะไรของมันม น, นันนี่แบบนี้นั่งมาตั้งหลายปีเดียวเราเลยทำไมถูกป้าเราถูกป้าเราไบอกให้รู้ว่าอาจารายา์นำองศ์มาพวกญาติน้องเขาบอกว่าอาจารย์เขาไม่ได้กินอาจารย์หรอกเขาไม่รู้เรื่องเขาไ ป, ไปยิงไปยิงวิชาไปแล้วเมื่อกี้ก็อุบาจารย์ก็เพิ่มมาคุณคออกไปเนี่ยสวดคาถาเราเขายังพูดไปยังไปรู้เรื่องเลยอาจารย์เราพูก็ไม่รู้เรื่องหรอกเราเห็นอ พัดเปเจ้าหญิงนิชาแต่ข้างนอกไปหัวเนี่ยข้างในมันไม่นิชานะเนี่ยมันทุกข์อยู่อะเลยวันนี้อาจารย์นรงศักมาปล่อยวางแล้วเนี่ยไอ้ยึดไปเนี os os ่ยปล่อยวางเลยเดีวนี้เลยปล่อยวางเดี๋ยวนี้ร้องไห้เจ้าหญิงนิชาหลับตาอยู่ในน้ําตาไหลปากปากปากปากปากร้องไห้พวกรยาพี่น้องตกใจกันใหญ่เลยอ้าวนึกว่าเป็นเจ้าหญิงนิชาทำไมร้องไห้ ร้องไห้ได้เลยเนี่ยโอ้ยช่วยกันมาเช็ดน้ำตาเนี่ยแล้วว่านิทาที่ไหนแต่มา น, นิทาถ้าข้างนอกันไหนมันก็ดีอสินี่ขคาไหนมันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์มากะนี่เราเห็นแล้ายพูดยังไงก็ไม่ปล่อยวางแต่ร้องไห้แต่ร้องไ ห, ห้ขณะที่นัดตาข้างนอกยังหลับอยู่เนี่ย เ, ย เ, ป, เป็นนิจาแล้วตายไปเพราะความทุกข์ทุกข์มากมากเลย ใก้สุดเป็นยังไงต้องไปงานเผาศพเราต้องขอญาตคุณพระธมประสงค์ของขแม่คูบาอจาเรื่องนี้มาพูดเพื่อประโยชน์เองครับตอนงานเผาศพไปงานศพเขาบอกไหวอะไรคนตายหนึ่งนาทีว่าไปงานเผาศพที่วัดไหสีวาธาตุโอเคอ่ายืนไว้อะไรคนตายหนึ่งนาทีพอรู้ก็ยืนกันได้มันร้องไห้มันวักเป็นเวกอยู่ต่อหน้าเนี่ย ตายแล้วคนทุกข์เมื่อไหร่ไม่ได้คนทุกข์นะเรายังทุกข์อยู่ตายแล้วยังเป็นทุกข์อยู่ได้ไงในงานศพตัวเองเราให้เป็นว่าคืนเวรอยู่ไงปลูกไปเนี่ยเราพูดยังไงก็ไม่ฟังเอ้ยเป็นคนยังพูดไปรู้เรื่องผีไม่พูดเลยพูดไม่ได้เราไม่รู้เรื่องไปสอนยังไงนะเป็นคนสอนก็ไม่เอาไม่ฟังเป็นผีแล้วไปสอนไงเป็นผีขี้ทุกข์ร้องให้ไปเถอะเราว่าเราจะมาเผาเจ้าทําไมวะไอ้ล่าของเจ้าเนี่ย ถ้าอยู่บนเชิงตะกรเนี่ยไม่มีความหมายเลยเนี่ยไอ้นั้นก็เหมือนเข่อนไม้ถ้าเผาเจ้าตรงนี้ที่มานั่งร้องไห้ได้มันจะได้หมดทุกไปหมดคนที่เป็นทุกไปเราน่าจะเผาเจ้าตรงนี้ซะดีกว่าดีกว่ า, เ, าเผาเจ้าบนเชิงตะกอนไอ้นี่นแหละเผาท่อนไม้ท่อนฟืนพอร่างกายมันก็ต้องไม่เผาก็ต้องเน่าไปอยู่แล้วเป็นมาเรามาเผาทไมหน้าจจ ะ, ะเผาเจ้าเนี่ยเนี่ไอ้มันหมดกว่าทุกไปออสอนไม่ฟังไปจับแต่เผาสบายจับแต่ว่างว่างนิ่งหมายแต่ตรงนิ่งๆว่างๆไว้ มันเป็นโทษมันเป็นโทษมองไม่เห็นว่าควาเป็นโทษแล้วก็เสียงเราการเราไปอยู่นั่นแหละเราสุดท้ายก็หนีเราไ ป, ไปหมดเราว่ า, ว า, วา ah, ความว่างความนิ่งความสงบมันไม่ดียังไงจ๊ะไม่ดียังไงมันไม่ดียังไงมันก็ดีถ้าเราไม่ไปยึดมันมันดีเท่านั้นแหละไม่ใช่ว่าเราว่าความนิ่งความว่างความสงบไม่ดีมันก็ potato, contre, ดีตราบใดที่เราไม่ไปยึดมันแต่เราไปยึดมันมันก็คือเสพยาเสพติดมันจะดียังไง มันไม่ใช่ว่าอาการที่มันว่างอาการเบาสบายโผงโรคเบาสบายมันไม่ดีแล้วไม่ได้โทษว่าอาการไม่ดีมันดีอาการมันก็ดีของมันอยู่อย่างนั้นแหละอาการอะไรสิ่งอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราไปยึดมันนะไม่ดีไอ้ความยึดมัไม่ดีมันไปเสพไว้มันไม่ดียึดอะไรมันไม่ดีทั้งหมดชานทุกสภาวะไม่ว่าจะเป็นปีติเมื่อกี้ที่เราเราจะตอบเราเราไม่ยอมตอบเลย ถามเราต้องมีปิติอะไรไหมเนี่ยระดับอารมณ์ฌานทุกอันเนี่ยปิติสุขุเบคาเนี่ยมันเป็นอารมณ์ฌานแต่ถ้าเราไปยึดมนันอ่ะมันไม่เป็นอารมณ์ฌามันเป็นวิปัสณูปกิเลตเราไม่ได้บอกว่าอารมณ์ฌานไม่ดีอารมณ์สมาธิไม่ดีแต่ถ้าไปยึดเข้ามันไม่เป็นอารมณ์ฌานมันไม่เป็นสมาธิมันเป็นวิปัสณูปกิเลตมันเป็นกิเลตไม่ได้บอกว่าความว่างโล่งโปร่งสบายไม่ดี ให้ว่างโล่งโปร่งสบายก็รู้อยู่แต่รู้ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปปิติมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปสุขมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปอุเบกขามันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปอาการไม่ว่างไม่โล่งโปร่งสบายเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปอาการสุขก็ต้องเปลี่ยนไปอาการทุกข์ก็ต้องเปลี่ยนไปถ้าอาการที่เป็นทุกข์ไม่เปลี่ยนไปคนทั้งโลกนี้ตายไปนนานแล้วเพราะว่าอะไรเวลาลูกตายเวลาสามีภรรยาตายเวลาแฟนตาย พ่อแม่ตายเป็นทุกข์แสนสาหาัสถ้าความทุกข์ไม่หายไปไม่เปลี่ยนไปโดยธรรมชาติแท้ๆก็ต้องเปลี่ยนไปทาให้เรานี่อยู่ได้ถ้าความทุกข์ไม่เปลี่ยนไป <S <S เราตายแล้วเพราะพ่อแม่ตาย <S <S ลูกตาย <S <S แฟนตายเรามีภรรธญาตายคนสิ่งที่เรารักตายหรือความพัดพลาดจากสิ่งที่รักคนที่รักเป็นทุกข์ในโลกถ้าความทุกข์ไม่หายไปทุกคนตายหมดทุกจนตายเพราะว่านี่มันไม่มันไม่ตายเพราะความทุกข์กับเพราะว่าความทุกข์มันเปลี่ยนไปมันเป็นธรรมชาติที่ต้องทําให้เปลี่ยนไปที่ทําให้ทุกคนต้องอยู่ได้ ถ้าความทุกข์ไม่เปลี่ยนไปทุกคนต้องทุกข์จนตายเราจะไปลังเกียจทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันทุกข์ขนาดไหนมันก็ต้องเปลี่ยนไปคนที่เคยทุกตายไปมาทุกแสนสาหัสนานวันมก็ลืมไปความทุกข์นั้นอ่ะถ้าความทุกข์มันไม่หายไปอ่ะทุกจนตายเนี่ยคนเราอ่ะมันธรรมชาติมันต้องตงทำไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปงั้นจะไปโหยหาว่ามันต้องมีอารมณ์ ตกกังเดียวโผลโล่งเบาสบายว่างเปล่าอย่างนี้จะไปหวยหามันจะไปหวยหามันถ้าเราไปหวยหามันเกียรทุกข์รักถูกอะเราก็ทุกขุนั่นแหละมันไม่ได้บอกว่าอารมณ์ถุกอารมณ์โผล่โลกงเบาสบายลงสบายที่มันไม่ดีเราไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ถ้าเราไปยึดมันมันเป็นทุกข์มันไม่ดีทุกข์มันยึดมันไม่ใช่ว่าอารมณ์มันไม่ดีสบาว่ามันไม่ดีแต่ว่าเราไปยึดทุกมันเป็นทุกข์ความยึดทําไม่ดีก็ปล่อยวางไอ้ความทุกข์เนี่ย พอถึงข่วความทุกข์อาการที่ไม่ไม่ถุกใจไม่สบายใจเนี่ยเราจะไปลังเกียจมันเราจะไปโทษมันว่าไม่ดีว่าจะมันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแต่เราไปโทษมันว่าไม่ดีเราลังเกียจมันตัวอาการที่ทุกข์มันไม่เด็กมันไม่ได้ไม่ดีแต่พอเราไปยึดมันเนี่ยไม่ดีเลยแม้แต่อารมณ์ที่เป็นทุกข์เราไปยึดมันไม่ดีเลยไม่ดีแหละเราเป็นทุกข์กับความเป็นทุกข์เลยตอนนี้พอเรามีโมโหขึ้นมา ทำไมโมโหไม่หายไปทันทีเราทุกอะไรขึ้นมาทําไมความทุกข์ไม่หายไปทันทีเราไปทุกข์กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์อาการที่เป็นทุกข์เราเลยทุกข์หนักเลยตอนนี้เพรนั้นถ้าอาการที่เป็นทุกข์มันเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปอาการทุกข์ขนาดไหนขนาดลูกตายสามีตายภรรยาตายแฟนตายพ่อแม่ตายบันทุกขนาดไหนมันก็ต้องเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ว่าไม่ดีอาการทุกข์เพราะว่ามันก็เป็นธรรมชาติ พอมันเกิขึ้นมาแล้วเราจะเป็นจะไปลังเกียจมนันเดี๋ยวมันก็หายไปจางไปเองเราไปลังเกียจมันกลายเป็นทุกซ้อนทุกแบบเนมื่โหขึ้นมาทําไมเมโหมไม่หายเลยพอ ม, มีอารมณ์อะไรขึ้นมาเ อ, อยายกพวกนักก่งสมาธิไปจับใจที่กว้างโล่งผ่อนสบายพอใครมากระทบปุ๊บอารมณ์เหล่านั้นมันแตกไปมันมโหม้ซ้ำซ้อนทุกซ้ำซ้อนตัวนี้เออ ไปวัดกลับมาสบายๆอยู่ดีๆมึงมากวนใจทำให้ครูสมาธิเสียโทษคนที่มาทำให้สมาธิเสียพวกประคองอุตส่าห์ประคอ ง, อ ง, องมาจากวัด